โมทนาขอบพระคุณพระเจ้านะคะสําหรับโอกาสที่จะได้แบ่งปันพระวนจะนะคําของพระเจ้าให้กับที่ประชุมในภาคบ่ายอีกครั้งหนึ่งนะคะเดือนนี้เป็นเดือนที่เราะระลึกถึงบัมพบุรุษแห่งความเชื่อและเมื่อเราพูดถึงบัมพะบรุษของแห่งความเชื่อเนี่ยเราก็มักจะนึกถึงบิดาแห่งความเชื่อนั่นก็คืออับราฮัมเรานึกถึงชีวิตของอับราฮัมจริงๆแล้วเนี่ยในพระคัมภีร์หลายตอนหรือแม้แต่ ในพระธรรมทั้งพันธสัญญาเดิมและพันธสัญญาใหม่ก็จะพูดถึงอับราฮัมอยู่บ่อยครั้งและทุกครั้งที่พูดถึงอับราฮัมก็มักจะพูดถึงความเชื่อของท่านที่มีในองค์พระผู้เป็นเจ้าโดยเฉพาะอย่างยิ่งท่านได้ชื่อว่าเป็นบิดาแห่งความเชื่อและสิ่งที่เกิดขึ้นหรือสิ่งที่ท่านกระทํานั้นก็พระเจ้าก็นับว่าความเชื่อสิ่งที่ท่านทำนั้นนับความเชื่อของท่านพระเจ้าจึงนับว่าชีวิตของท่านเนี่ย เป็นผู้ที่ชอบทำแต่เมื่อเราวันนี้จึงอยากจะให้เราได้มีโอกาสพิจารณาร่วมกันถึงทั้งชีวิตของอับราฮัมเองแล้วก็ความเชื่อของอับราฮัมเราทุกคนมีความเชื่อเหมือนอับราฮัมได้หรือไม่จริงๆแล้วเมื่อเราได้ดูชีวิตของอับราฮัมและเราเห็นว่าอับราฮัมนั่นเนี่ยเป็นบิดาแห่งความเชื่อนั่นหมายความว่าอับราฮัมเนี่ยไม่เคย สงสัยในสิ่งที่พระเจ้าพูดเลยหรือไม่เคยสงสัยในคำสั่งของพระเจ้าเลยเลยใช่หรือไม่ถ้าเราเปิดดูในพระธรรมปฐมกาลบทที่สิบเจ็ดข้อที่สิบห้าถึงข้อที่สิบแปดกล่าวว่าพระเจ้าตรัสกับอับราฮัมว่าส่วนซารายภรรยาของเจ้านั้น เจ้าอย่าเรียกชื่อนางว่าซารายแต่จงเรียกชื่อนางว่าซาราเราจะอวยพรนางและยิ่งกว่านั้นอีกโดยนางนี่แหละเราจะให้บุตรชายคนหนึ่งแก่เจ้าเราจะอวยพรนางและนางจะให้กำเนิดชนหลายชาติกษัตริย์ของชนหลายชาติจะมาจากนางอับระหามจึงศบหน้าลงหัวเราะและคิดในใจว่า ชายผู้ที่อายุหนึ่งร้อยปีจะมีบุตรได้หรือซาายผู้มีอายุเก้าสิบปีจะคลอดบุตรได้หรือและอับราฮัมทูลพระเจ้าว่าโอ้ขอให้อิสมาเอลมีชีวิตอยู่เฉพาะพระพักพร ะ, พระองค์พระเจ้าตัดว่านี่ที่แน่นั้นคือซาายภรรยาของเจ้าจะคลอดบุตรชายคนหนึ่งให้เจ้า และเจ้าจงตั้งชื่อเขาว่าอิสระพี่น้องคิดว่าอับราฮัมเชื่อพระเจ้าโดยไม่สงสัยเลยใช่หรือไม่ในพระอรหมตอนนี้แม้ว่าจะไม่ได้พูดเอาไว้ยอย่างชัดเจนแต่ก็พูดถึงว่าพระเจ้าบอกกับอับราฮัมว่าอับราฮัมจะเป็นบิดาของชนหลายชาติแต่ในเวลานั้นเองลูกแม้แต่พระธรรมตอนนี้เนี่ย หรือสิ่งที่พระเจ้าบอกกับอับราฮัมตอนนี้พระเจ้าไม่ได้บอกกับอับราฮัมคนเดียวพระเจ้ากําลังบอกกับนางซาราภรรยาของอับราฮัมด้วยนั่นหมายความว่าพระเจ้าบอกว่าเขากําลังจะมีลูกนางซารากําลังจะมีลูกอับราฮัมในพ่อมีพูดอย่างชัดเจนว่าอับราฮัมก็คิดในใจแล้วก็หัวเราะหมายความว่าไม่ได้เชื่ออับราฮัมไม่คิดว่าสิ่งที่พระเจ้าพูดเนี่ย จะหมายความตามนั้นจริงๆอับราฮัมจึงบอกพระเจ้าว่าอ๋องั้นขอให้อิชมาเอลซึ่งไม่ใช่ลูกของนางซาราเป็นลูกของฮากาซึ่งเป็นคนรับใช้ของซาราอิทีนี่แสดงว่าอับราฮัมเองก็ไม่ได้เชื่อว่าสิ่งที่พระเจ้าพูดจะเป็นอย่างนั้นได้จริงๆถ้าอย่างนั้น อับราฮัมเองเป็นคนหนึ่งที่ไม่เคยทําสิ่งใดผิดพลาดเลยในการเดินทางในการเดินทางในความเชื่อของเขากับพระเจ้าใช่หรือไม่ทารุในปฐมกาลบทที่12ข้อที่สิบถึงข้อที่ยีสิบเกิดการดานอาหารขึ้นในแผ่นดินนั้นอับรามจึงลงไปที่อียิปและอาศัยอยู่ที่นั่นด้วยว่ามีการกันดานอาหารหนักในแผ่นดินเมื่อใกล้จะเข้าอียิป อับรามก็พูดกับนางซารายภรรยาของท่านว่านี่แน่ฉันดูว่าเธอเป็นหญิงรูปงามเมื่อคนอียิปต์เห็นเธอพวกเขาจะว่าหญิงคนนี้เป็นภรรยาของเขาแล้วก็จะฆ่าฉันเสียแต่จะไว้ชีวิตเธอขอให้บอกขอให้บอกว่าเธอเป็นน้องสาวของฉันเพื่อเขาจะได้ทําดีต่อฉันเพราะเธอและฉันจะได้รอดชีวิตเพราะเธอ เมื่ออับรา ม, มาถึงอียิปต์แล้วคนอียิปต์เห็นว่านางสวยมากเมื่อคนในราชสำนักของฟาโรเห็นนางแล้วก็ทูลยกย่องนางต่อฟาโรนางจึงถูกพาเข้าไปอยู่ในวังของฟาโรฝ่ายฟาโรทรงโปรดปรานอับรามเพราะเห็นแก่นางนั้นอับรามก็ได้แกะโคลาผู้ธาตทาสีลาตัวเมียและอูดแต่ พระเจ้าทรงทำให้เกิดภัยพิบัตริร้ายแรงแก่ฟาโรห์และราชวงศ์ของพระองค์เพราะเรื่องนางซารายภรรยาของอับรามฟาโรห์จึงเรียกอับรามมาตรัสว่าทำไมเจ้าทำแก่เราอย่างนี้เล่าทำไมเจ้าไม่บอกให้เรารู้ว่านางเป็นภรรยาของเจ้าทำไมเจ้าว่าเธอเป็นน้องสาวของข้าพบาทเราจึงรับนางมาเพื่อเป็นภรรยา นี่แน่ภรรยาของเจ้าจงรับไปแล้วออกไปฟาโรตรัดสั่งพวกมหาเล็กเรื่องอับรามพวกเขาจึงส่งอับรามไปกับภรรยาและทรัพย์สมบัติทั้งหมดของท่านถามว่าอับรามหรืออับราฮัมไม่ได้ทําผิดเลยในชีวิตของเขาใช่หรือไม่เราเห็นจากใ น, นพระคัมภีร์ตอนนี้อับราฮัมเองก็เป็นมนุษย์คนหนึ่งอยากรู้สึกว่าตัวเองอยากจะรอดชีวิต เขาก็คิดในระดับความคิดของมนุษย์เพื่อที่จะให้ตัวเองนั้นรอดปลอดภยัยแต่อย่าลืมว่าจากเหตุการณ์นี้ไม่ใช่แค่อับรามไม่ใช่แค่อับราฮมเท่านั้นที่ประสบภัยพิบัติแต่ภัยพิบัตินั้นเกิดขึ้นกับคนอีก ด, ด้วยอับราฮามเองเราดูหลายครั้งเมื่อเราพิจารณาชีวิตของอับราฮามเราก็จะเห็นว่าท่านเป็นคนที่มีความเชื่อท่านเดินทางออกจากบ้านของท่าน แม้ว่าไม่รู้ว่าจะไปที่ไหนแต่เมื่อพระเจ้าบอกท่านก็เดินไปแต่ในการเดินทางในความเชื่อของอับราฮัมไม่ได้หมายความว่าอับราฮัมไม่เคยสงสัยในสิ่งที่พระเจ้าบอกไม่ได้หมายความว่าอับราฮัมไม่เคยทำสิ่งใดผิดพลาดในชีวิตของท่านอับราฮัมเองในพระธรรมโรมบทที่สี่เราอ่านก่อนที่ถึงข้อสามท่านออ่านข้อหนึ่งและข้อสองจะกล่าวว่า ถ้าอย่างนั้นเราจะว่าอย่างไรในเรื่องอับราฮัมบัมพบุรุษของเราตามสายโลหิตถ้าอับราฮัมถูกชำระให้ชอบธรรมโดยการประพฤติท่านก็มีทางที่จะอวดได้แต่ไม่ใช่เฉพาะพระพักของพระเจ้าอับราฮัมอาจจะอวดได้ว่าถ้าวัดหรือว่าเรามีตาช่างตาช่างช่างความเชื่อของท่าน กับความผิดพลาดในชีวิตของท่านความเชื่อของท่านอาจจะมีน้ำหนักที่มากกว่านี่คือการอวดได้ในสายตาของมนุษย์แต่ถ้าจะอวดได้ในสายพระเนตรของพระเจ้านั่นหมายความว่าสิ่งเหล่านี้อาจจะไม่มีถ้าอับประหามรอดโดยการประพฤติของท่านเพียงอย่างเดียว แต่ในความเป็นจริงแล้วอับราฮัมเองก็ไม่ได้ต่างอะไรจากชีวิตของเราท่านก็มีความผิดพลาดมีความสงสัยที่เกิดขึ้นได้ในชีวิตของท่านแต่สิ่งที่สำคัญที่สุดในชีวิตของอับราฮัมนั่นคือรากฐานของความเชื่อต่างหากที่พระเจ้านับว่าท่านเป็นผู้ชอบธรรมรากฐานเป็นสิ่งที่สาคัญที่สุดในความเชื่อ ถ้าเราไม่ได้ถูกสร้างรากฐานในความเชื่อที่แข็งแรงบ้านที่ไม่มีรากฐานที่แข็งแรงแม้ว่าข้างบนจะสวยแต่เมื่อรากฐานไม่แข็งแรงบ้านทางหลังก็สามารถลม้มล ง, ลงหรือถูกพายุเพียงแค่ไม่ได้หนักหนาเท่าไหร่นักก็สามารถพัดบ้านทางหลังออกไปได้พระธรรปฐมกาลบทที่ยี่สิบสอง ได้พูดถึงชีวิตของอับราฮัมพูดถึงการทดลองที่มาถึงชีวิตของอับราฮัมและเป็นการทดลองใหญ่พระเจ้าตรัสกับอับราฮัมว่าพระเจ้าทรงเรียกอับราฮัมแนว่ามีตอนนี้บอกว่าต่อมาพระเจ้าทรงทดลองอับราฮัมแล้วตรัสกับท่านว่าอับราฮัมท่านทูลว่าข้าพระองค์อยู่ที่นี่พระองค์ตรัสว่าจงพาบุตรของเจ้าคืออิสระ บุตรคนเดียวของเจ้าผู้ที่เจ้ารักไปยังดินแดนโมริยาและถวายเขาให้เป็นเครื่องบูชาบนภูเขาลูกหนึ่งซึ่งเราจะบอกแก่เจ้าอับประหามจึงลุกขึ้นแต่เช้ามืดผูกอานลาของท่านพาคนใช้หนุ่มไปกับท่านด้วยสองคนกับอิสอักบุตรของท่านท่านตัดฟืนสำหรับเครื่องบูชาแล้วเดินทางไปยังที่ซึ่งพระเจ้าทรงบอกแก่ท่าน มนถึงตอนนี้เนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นกับอับราฮัมในว่ามีบอกว่าพระเจ้าทดรองอับราฮัมบอกว่าจงถวายเอาอิสะอัะบุตรคนเดียวที่เป็นที่รักของเจ้าถวายเป็นเครื่องบูชาให้กับเราถ้าเป็นเราบุตรคนเดียว ที่มีที่เกิดตอนอายุหนึ่งร้อยปีถ้าอับประหามีลูกหลายคนพระเจ้าขอไปสักคนหนึ่งก็เสียใจแต่อาจจะทำใจพอได้แต่นี่คือบุตรคนเดียวที่เป็นที่รักและพระเจ้าก็ขอพระเจ้าให้และพระเจ้าก็ข อ, เ, เ, ขอเด็กคนนี้คือ สิ่งที่เกิดขึ้นในวิมไม่ได้บันทึกและไม่ได้มีคำถามจากอับราฮัมเลยแม้แต่คำถามเดียวว่าทำไมหรือไม่มีการต่อรองใดๆถ้าเราจะบอกว่าอับราฮัมเองอาจจะไม่ใช่คนช่างต่อรองคิดว่าคงไม่ใช่ถ้าเราจำเรื่องของโรธได้อับราฮัมอธิษฐานต่อรองกับพระเจ้าต่อแล้วต่ออีกต่อแล้วต่ออีก ต่อจนกระทั่งอับราฮัมยอมรับสิ่งที่พระเจ้าตัดสินหรือสิ่งที่พระเจ้าต้องการแต่ในกรณีของอิสระอับราฮัมไม่ได้ต่อรองสิ่งใดๆเลยจากพระเจ้าอับราฮัมลุกขึ้นแต่เช้ามืดหูกอ่านแล้วก็พาคนใช้ไปแล้วก็ตัดฟืนเตรียมไปด้วยแต่เท่านี้อาจจะยังไม่เจ็บพอ พอถึงวันที่สามอับรหามเงยหน้าขึ้นมองเห็นที่นั่นแต่ไกลอับรหามจึงพูดกับคนใช้ทั้งสองของท่านว่าอยู่กับลาที่นี่เถิดเรากับลูกจะเดินไปที่นู่นนมัสการพระเจ้าแล้วเราจะกลับมาหาพวกเจ้าอับรหามเอาฟืนสำหรับเครื่องใส่เครื่องบูชาใส่บา ส, สักอั์บุตรชายมือถือไฟและมีด แล้วพ่อลูกไปด้วยกันอิสอักพูดกับบิดาว่าพ่อและท่านตอบว่าลูกเอ๋ยพ่ออยู่ที่นี่ลูกจึงว่านี่ไฟและฟืนแต่ลูกแก่สำหรับเครื่องบูชาอยู่ที่ไหนอับประหามตอบว่าลูกเอ๋ยพระเจ้าจะทรงจัดหาลูกแก่สำหรับพระองค์เองเป็นเครื่องบูชา อับราฮัมรู้อยู่แก่ใจว่าลูกแก่ที่พระเจ้าต้องการก็คืออิสระนั่นแหละแต่อับราฮัมจะบอกได้ยังไงว่าเจ้านั่นแหละเป็นลูกแก่ของพระเจ้าจริงสำหรับคนเป็นพ่อเป็นแม่ถ้าเรารู้ว่าอีกไม่กี่กิโลไม่กี่เมตรข้างหน้าเราจะต้องทำสิ่งที่เราไม่อยากทำที่สุด เราไม่อยากแม้กระทั่งจะคิดถึงมันด้วยซ้าแต่นี่คือลูกถามและเราก็บอกไม่ได้และเราก็ไม่อยากจะทามันคือความเจ็บปวดมันคือสิ่งที่ไม่รู้ว่าอับราฮัมไม่มีทางรู้เลยว่าพระเจ้าจะจัดเตรียมสิ่งอื่นให้หรือเปล่าเพราะว่าสิ่งเดียวที่เขารู้คืออิสระคือแก่ของพระเจ้า และเขาก็ต้องทำสิ่งนั้นและทั้งสองก็เดินต่อไปด้วยกันเมื่อเขาทั้งสองม า, มาถึงที่ซึ่งพระเจ้าตรัสบอกเขาไว้อับประหามก็สร้างแท่นบูชาแล้วก็เรียงฟืนเป็นระเบียบคือถ้าเราดูเป็นดูเป็นละครนะคะเหมือนก็ซื้อเวลาไปเรื่อยๆะคะ่ะเพราะว่า จนกระทั่งเดินขึ้นมาถึงก็แล้วก็ไม่ได้เห็นว่าจะมีแกะอื่นก็เริ่มสร้างแท่นบูชาก็ยังไม่เห็นว่าเหตุการณ์มันจะเปลี่ยนแปลงไปได้อย่างไรก็เริ่มเรียงฟืนให้เป็นระเบียบก็ไม่เห็นว่าจะมีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นหรือเปลี่ยนแปลงไปและต่อมาก็คือนั่นคือสิ่งที่มันเป็นการคาบเกี่ยวนะคะถ้าเราคิดถึงว่าเป็นเราเอง อับรหาห์มมัดอิสระถึงตรงนั้นเนี่ยเราจะมองหน้าลูกเรายัางไงถึงตรงนั้นอิสระ ก, ก็ต้องรู้แล้วว่าแก่ที่พูดถึงนั่นน่ะมันคือเขาเพราะพ่อจับเขามัดอิสระคงถามว่ามัดเขาทำไมพ่อจะทำอะไรกับเขาและเขาก็วางลูกของเขา ไว้บนแท่นบูชาแล้วอับราฮัมก็ยื่นมือจับมีดจะฆ่าบุตรชายแต่ทูตของพระเจ้าเรียกเขาจากสวรรค์อับราฮัมอับราฮัมและอับราฮัมตอบว่าข้าพระองค์อยู่ที่นี่ถ้าเราดูเป็นหนังนะคะมันคือแบบเซี่ยววินาที คือใจของอับราฮัมคงคิดว่ามันจะเปลี่ยนได้ไหมมันจะเปลี่ยนได้ไหมคือเขาเงื้อมือขึ้นไปแล้วอ่ะและพระเจ้าก็รอจนถึงวินาทีสุดท้ายจริงๆคือการแสดงเจตนาลมอย่างชัดเจนว่าอับราฮัมยินดีที่จะทำทุกอย่างถ้าสิ่งนั้นคือสิ่งที่พระเจ้าต้องการ และทูตสวรรค์ของพระเจ้าก็บอกกับอับราฮัมว่าอย่าแตะต้องเด็กนั้นอย่าทำอะไรเขาเลยและบัดนี้เรารู้แล้วว่าเจ้ายำเกรงพระเจ้าและไม่ได้หวงบุตรชายคือบุตรชายคนเดียวของเจ้าไว้จากเราอับราฮัมเงยหนะ้าขึ้นมองดู เห็นข้างหลังของท่านมีแกะผู้ตัวหนึ่งเขาของมันติดอยู่ในพุ่มไม้ทึบ อ, อับราฮัมก็จับแกะนั้นมาถวายเป็นเครื่องบูชาแทนบุตรชายและอับราฮัมเรียกสถานที่นั้นว่าเยโฮวายีเรที่แปลว่าทรงจัดไว้บนภูเขาของพระยาเว มันง่ายมากเวลาที่พระเจ้าให้บางสิ่งบางอย่างในชีวิตของเราและเราก็รู้สึกว่าสิ่งนั้นเป็นของของเราเมื่อพระเจ้าให้แล้วมันเป็นของของเราพระเจ้าไม่มีสิทธิ์ที่จะเอามันไปแต่ถ้าพระเจ้าปรารถนาสิ่งที่พระเจ้าต้องการมันเป็นบททดสอบเป็นบททดสอบที่ยิ่งใหญ่สาหรับชีวิตของอับรหาหัม และอับราฮัมก็ผ่านบททดสอบนี้ไปและนี่เองทำให้ชีวิตของท่านความเชื่อและไว้วางใจพระเจ้าในชีวิตของอับราฮัมพระเจ้าจึงถือว่าอับราฮัมเป็นคนชอบธรรมพระคัมภีร์ว่าอับราฮัมเชื่อพระเจ้าองค์ทรงถือว่าท่านเป็นคนชอบธรรมท่านไม่ได้หวั่นไหวแคลงใจในพระสัญญาของพระเจ้า ท่านเชื่อมั่นคงจึงถวายเกียรติแด่พระเจ้าท่านเชื่อมั่นว่าพระเจ้าทรงสามารถทำสิ่งที่ทรงสัญญาไว้ด้วยเหตุนี้เองเพระองค์ทรงถือว่าท่านเป็นคนชอบธรรมสิ่งหนึ่งคือเราอย่าลืมว่าก่อนหน้าที่พระเจ้าจะบอกกับอับราฮัมว่าอับราฮัมจะมีลูกพระเจ้าสัญญากับอับราฮัมว่าท่านจะมีลูก และบุตรและท่านจะเป็นบิดาแห่งชนชาติใหญ่ถ้าอับราฮัมคิดว่าหรือสงสัยในพระสัญญาของพระเจ้าอับราฮัมสามารถที่จะต่อรองกับพระเจ้าว่าพระองค์ทรงสัญญาไว้แล้วมีใช่หรือเมื่อบุตรคนนี้จะเป็น ผู้เป็นชนเป็นชนชาติของพระเจ้าจะเป็นผู้สืบทอดบัมพบุตจะฆ่าพระเจ้าจะเป็นบัมพะบุุษเขาจะเป็นผู้สืบทอดความเชื่อของพระเจ้าพระเจ้าจะเอาเข้าไปได้ยังไงแต่ปะหามไม่ได้มีคำถามไม่ได้มีข้อโต้แย้งและพระเจ้าในพระมีตอนนี้บอกว่าถ้าไม่ได้หวั่นไหวหรือคลางแคลงใจว่าพระสัญญาของพระเจ้ามันจะไม่เป็นจริง แต่ท่านเชื่อมั่นไม่รู้ว่าพระเจ้าจะจัดเตรียมด้วยวิธีไหนพระเจ้าอาจจะให้อับราทบอัราฮัมคิดแบบเราสามารถคิดได้อิสอัตายก็อาจจะเป็นไปได้และพระเจ้าก็อาจจะให้อับราฮัมมีลูกอีกคนหนึ่งก็ได้ถ้าจะสามารถคิดได้อย่างนั้นแต่สิ่งหนึ่งคืออับราฮัมเราไม่รู้ว่าอับราฮัมคิดอย่างไรแต่เรารู้ว่าการกระทาของอับราฮัมแสดงให้เห็นว่าท่านมีไ้คลางแคลงใจ ความเชื่อของท่านตั้งมั่นคงอยู่บนพระสัญญาของพระเจ้าและท่านปรารถนาจะถวายเกียรติพระเจ้าด้วยชีวิตของท่านเองและนั่นเองพระเจ้าทรงถือว่าท่านเป็นคนชอบทัรในการเดินทางในความเชื่อนั้นไม่ได้หมายความว่าเราจะไม่พบบททดสอบใดๆในชีวิตเราเพิ่งไปค่ายมา และในค่ายนั้นเราเขาจะได้ฉายหนังให้เด็กๆ ด, กดูเป็นหนังเรื่องอีวานอัลไมตี้ถ้าใครเคยดูนะคะเป็นหนังที่แบบเหมือนแบบเป็นหนังเกี่ยวกับโนอาเหมือนแบบคล้ายๆกับพระเจ้าให้เหตุการณ์คล้ายๆกับโนอาเรียกให้คนที่จะสร้างเรือและจะเกิดน้ำท่วมใหญ่มีตอนหนึ่งในหนังเรื่องนั้นเป็นตอนที่ภรรยาของอ วุฒิสมาชิกที่พระเจ้าสั่งให้เขาสร้างเรือ น, นั้นเนี่ยคือภรรยารับไม่ได้กับสิ่งที่เกิดขึ้นแล้วก็ไม่เชื่อคิดว่าสามีคงเป็นบ้าไปแล้วเขาก็พาลูกของเขาออกออกลับไปที่บ้านในระหว่างนั้นก็จะเป็นฉากที่อยู่ในร้านอาหารเขาบอกว่าในนั้นก็จะเป็นฉายทีวีนะคะเขาบอกว่าสัตว์มากันเป็นคู่คขึ้นเรือแต่มีคนบ้าเพียงคนเดียวเท่านั้น ก็คืออีวานลูกของเขาก็ก็อายภรรยาเขาก็อายและในเวลาเดียวกันนั้นเนี่ยก็ภรรยาของเขาลูกก็ไปเข้าห้องน้ําภรรยาก็อหันมาแล้วก็จะเป็นคนหนึ่งที่เขาแสดงบทเป็นเหมือนเป็นพระเจ้านะคะก็หันมาคุยกับผู้หญิงคนนี้แล้วผู้หญิงคนนี้ก็ก็ถามผู้หญิงคนนั้นว่าคุณเป็นอะไรดูหน้าตามไม่สบาย ดูหน้าตาไม่สดชื่นมีปัญหาอะไรหรือเปล่าเขาก็เขาก็เลยเล่าให้ฟังถึงคนที่อยู่ในคริวิโอเนี่ยเป็นสามีฉันสามีฉันเนี่ยก็บ้าไปแล้วคุณคิดยังไงและในบทสนทนา น, นั้นบอกว่าคุณรู้ไหมถ้าพระเจ้าถ้าคนเราอธิษฐานขอความอดทนจากพระเจ้าคุณคิดว่าพระเจ้าจะส่งความอดทนมาให้หรือจะส่งสถานการณ์ เพื่อสร้างให้เขาอดทนถ้าเขาอธิษานขอความกล้าหาญคุณคิดว่าพระเจ้าจะส่งความกล้าหาญมาให้หรือจะให้สถานการณ์สร้างเขาให้เขามีความกล้าหาญและถ้าพระเจ้าอยากจะให้คนรักกันพระเจ้าจะพระเจ้าจะส่งความรักลงมาให้หรือให้โอกาส ที่เราจะได้สัมเดงความรักกับคนที่อยู่รอบๆข้างเราและคําพูดนี้ก็ทําให้ผู้หญิงคนนั้นได้กลับไปแล้วก็ไปช่วยสามีต่อเรือจนเสร็จเช่นเดียวกันค่ะเวลาที่เราอธิษฐานขอความเชื่อจากพระเจ้าเราอธิษฐานขอให้เรามีความเชื่อที่มั่นคงในองค์พระผู้เป็นเจ้าท่านคิดว่าพระเจ้าจะส่งอะไรมาให้เราอยากให้เราดูคลิป วิดีโอหนึ่งด้วยกันนะคะจ้าหนูคะขอคลิป เราอธิษฐานขอความเชื่อเราเชื่อพ ร, ะ เ, พระเจ้าจะส่งอะไรมาให้ค่ะไม่มีความเชื่อลอยลงมาจากฟ้าให้เราเรามันจะมีสถานการณ์หลายสถานการณ์ที่เป็นบททดสอบความเชื่อของเราและเมื่อเราสามารถผ่านบททดสอบเหล่านั้นมาได้ความเชื่อของเราก็จะมั่นคงเรื่อยๆเพราะสิ่งที่เรารู้ว่าเราไม่ได้ผ่านบททดสอบ เราไม่นี้ผ่านสถานการณ์ต่างๆเหล่านั้นโดยลำพังชีวิตของเราเองพระเจ้าคอยประคับประคองคอยช่วยเหลือสิ่งที่เราไม่คิดว่ามันจะเป็นไปได้อย่างในคลิปวิดีโอเมื่อกี้ที่เราเห็นคนนั้นเขาบอกว่าเขารู้ว่าเขากระโดดไปไม่ถึงหรอกมันไม่มีทางที่จะโดดไปถึงอยู่แล้วมีแค่สิ่งอัศจรรย์เท่านั้นนะ่ะที่ทาให้เขาบินได้ถึงจะสามารถกระโดดไปอีกฟากหนึ่งได้ แต่เมื่อสิ่งสถานการณ์มันตามมาข้างหลังนะคะไม่โดดก็ตายก็ต้องเลือกเอาว่าจะโดดหรือเปล่าสุดท้ายเขาก็โดด่ะคะและในความคิดของเขาก็คือมันก็ไม่ถึงแล้วเขาบอกว่าก็เห็นไหมบอกแล้วว่าไม่มีทางกระโดดถึงแต่สิ่งที่เจอก็คือมันมีสิ่งที่อยู่ลรองเราอยู่ข้างล่างบางครั้งเรามองหา ความเชื่อในมุมมองของเราเองในสายตาของเราเองในความคิดของเราเองว่าพระเจ้าต้องช่วยเราแบบนี้มันไม่มีทางอื่นมัน ม, มีทางนี้เท่านั้นแล้วเราก็เชื่ออย่างนั้นว่าถ้าพระเจ้าจะช่วยเราพระเจ้าก็ต้องช่วยแบบนี้ถ้าเราสามารถคิดแทนพระเจ้าได้ เราก็เป็นพระเจ้าแต่พระเจ้าฉลาดกว่าเราหลายหลายเท่าตัวและพระเจ้ามักจะทำการอัศจรรย์ในชีวิตของเราทำให้เราเข้าใจว่ามันมีอีกหลายอย่างในโลกนี้ที่เรายังไม่เข้าใจและพระเจ้าอยากจะขยายอนณาเขตความเชื่อของเราอยากจะขยายอนณาเขตความ ประสบะการณ์ของเราเพื่อให้เราได้สามารถเป็นพยานได้มากขึ้นเราสามารถเข้าใจพระเจ้าได้มากขึ้นเราสามารถเรียนรู้จักพระเจ้าในมุมมองที่เราไม่เคยเห็นมาก่อนพระธรรมโรมบทที่ยี่สิบข้อที่ยี่สิบสามถึงข้อยี่สิบห้าบอกว่าแต่ข้อความว่าทรงถือว่าท่านเป็นคนชอบธรรมนั้นไม่ได้เขียนไว้สาหรับแต่ท่านผู้เดียวแต่สำหรับ เราด้วยที่ทรงถือว่าเราเป็นคนชอบธรรมก็คือเราเชื่อในพระองค์ผู้ทรงให้พระเยซูคริสต์องค์พระผู้เป็นเจ้าของเราเป็นขึ้นจากความตายคือพระเยซูผู้ทรงถูกมอบให้ถึงความตายเพราะการล่วงละเมิดของเราคือผู้ที่พระเจ้าทรงให้เป็นขึ้นมาเพื่อให้เราเป็นคนชอบธรรมความชอบธรรมทางความเชื่อ ไม่ได้มีไว้สำหรับโนอามีไม่ได้มีไว้สาหรับอับราฮัมเพียงผู้เดียวเราแต่ละคนก็สามารถที่จะเป็นผู้ชอบธรรมทางความเชื่อได้เช่นเดียวกันมีเด็กคนหนึ่งชื่อว่าเดวิดอายุสองขวบเขาป่วยเป็นโรคลูคีเมียแม่เขาต้องพามารักษาอยู่ที่โรงพยาบาลที่บอสตัน แล้วก็ต้องเจอกับด็ตอร์ชื่อว่าดเรทรูแมนเด็กอายุสองขวบต้องผ่านกระบวนการในการรักษามากมายต้องถูกฉีดยาและหมอก็บอกว่าโอกาสที่เขาจะรอดมนันเพียงเพียงแค่ห้าสิบห้าสิบเขาจะต้องผ่านเขาต้องไปเจอไปคลินิกหมอผ่านการเจาะเลือดผ่านการทดสอบหลายสิ่งหลายอย่าง สำหรับเด็กอายุสองขวบมันคือความทรมานและสิ่งที่ทรมานมากกว่าก็คือแม่ที่จะต้องอุ้มเขาจะต้องเห็นลูกทรมานมันเป็นความเจ็บปวดสำหรับเขาแต่สิ่งหนึ่งคือเดวิดไม่เคยร้องเลยในระหว่างที่รออยู่ในห้องในในแบบเก้าอี้ที่รอที่จะเจอคุณหมอหรือเขาจะหันมายิ้มให้แม่เขาเสมอ และเขาก็ไม่คือและทุกครั้งคือแม้ว่าจะมีคนในในในโรงพยาบาลที่ร้องไห้หรือก็ตามแต่เขาก็จะไม่เคยร้องไห้แต่ในและแม่เขาเคยบอกแม่เขาจะบอกกับเขาว่าเดวิดในการมันจะมันจะเจ็บนะลูกลูกต้องจำเอาไว้ว่าเพราะว่าคุณหมอรักหนู อยากให้หนูหายดีแต่มันจะเจ็บนะลูกและมาถึงสุดท้ายแล้วในจะต้องเขาจะต้องผ่านการทำทากระบวนการหนึ่งซึ่งจะเจ็บปวดมากที่สุดในการในกระบวนการการรักษาแล้วในครั้งนั้นเนี่ยต้องใช้พยาบาลถึงสามคนในการอุ้มหรือจับตัวเดวิดให้อยู่นิ่งๆและ เขาเองเพราะว่ามันเจ็บปวดมากเขาก็ทั้งร้องแล้วก็ทรมานมากๆแต่ในขณะที่กระบวนการทั้งหมดเนี่ยกำลังจะเสร็จเด็กตัวเล็กๆเพราะว่าเขาผ่านกระบวนการรักษา ม, มาเยอะนะคะตอนนี้เขาก็อายุประมาณสี่ขวบแล้วก็ในระหว่างที่เกือบจะเสร็จอยู่แล้วเด็กตัวเล็กคนหนึ่งทั้งหน้าก็เต็มไปด้วยน้าตาเขาหันมาจับมือคุณหมอแล้วบอกว่า Thank you, d t r Truman's for my hurting. หมอทูแมนขอบคุณครับสำหรับความเจ็บปวดเพราะเด็กคนนั้นเชื่อว่าหมอรักเขาและหมอจะทำให้เขาดีขึ้นเวลาพระเจ้ารักเราไม่ได้หมายความว่าเราจะไม่เจอความเจ็บปวดในชีวิต ไม่ได้หมายความว่าเราจะไม่ผ่านกระบวนการการสงสัยน้ำพระทัยของพระเจ้าหรือไม่ได้หมายความว่าเราจะไม่เคยเดินในหนทางแห่งความเชื่อที่ผิดพลาดหรือทำบางสิ่งบางอย่างที่ผิดพลาดไปแต่สิ่งหนึ่งที่สำคัญท่านรากฐานแห่งความเชื่อของเราอยู่บนรากฐานแห่งความเชื่อว่าพระเยซูคริสต์ไถ่ชีวิตของเราไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นในชีวิตของเรา เราจะสามารถผ่านมันไปได้และความเชื่อของเรามันจะไม่หดหายไปเพราะว่ารากฐานนั้นมันแข็งแรงแต่สิ่งหนึ่งที่สำคัญนะคะเราเองจะต้องสร้างรากฐานของเราในความเชื่อที่แข็งแรงรากฐานที่แข็งแรงไม่ได้เกิดขึ้น ได้เพียงชั่วข้ามคืนและไม่สามารถเกิดขึ้นได้เพียงแค่คุณนั่งอยู่เฉยๆและคุณจะมีความเชื่อในพระเจ้าเพิ่มมากขึ้นคุณต้องทำในส่วนของคุณคุณต้องแสวงหาพระเจ้าอ่านพระวจนะคำของพระองค์มีความตั้งใจอยากจะรู้จักกับพระเจ้ามากขึ้นทุกวันทุกวัน เข้าใจน้ำพระทัยของพระเจ้าคุณต้องผ่านช่วงเวลาหัวเลี้ยวหัวต่อของความเชื่อเวลาที่เราเจอความทุกข์ยากลําบากในชีวิตเวลาที่เราเจอกับคําสงสัยเราเจอกับการดูถูกเราเจอสิ่งสารพัดมากมายความเชื่อของเราต้องยิ่งอย่างลากในพระเจ้านี่คือส่วนของเราเราไม่สามารถนั่งอยู่นิ่งๆแล้วคิดว่าวันหนึ่งเราจะเชื่อพระเจ้ามากขึ้น เราไม่สามารถที่จะเอาพระคัมภีร์หนุนหัวแล้วคิดว่าวันหนึ่งเนื้อหาในพระวีมันจะไหลเข้ามาในความคิดความเชื่อของเราเองมันเป็นไปอย่างนั้นไม่ได้เราต้องทําส่วนของเราเราต้องอ่านพระวจนะคมของพระเจ้าต้องกระหายหาอยากที่จะรู้จักกับพระเจ้ามากขึ้นทุกวันทุกวันทุกวันอย่างคนหลายคนอยากที่จะมีสุขภาพที่แข็งแรง แต่เราไม่ได้ออกไปทำอะไรให้สุขภาพเราแข็งแรง น, นะคะเราไม่ได้ออกไปวิ่งเราไม่ได้ออกไปออกกำลังกายเราไม่ได้ทานอาหารที่ดีแต่เราคิดว่าเราอยากมีสุขภาพที่แข็งแรงเราก็คิดได้นะคะแต่ร่างกายของเราจะไม่มีวันแข็งแรงเพียงแค่เราอยากและข้าพเจ้าเชื่อแน่ว่าเราทุกคนอยากเป็นคนที่พระเจ้าพอผ่ายเราเป็นคนอยากที่จะมีความเชื่อที่แข็งแรง เราก็ต้องลงมือก้าวออกไปทําบางสิ่งบางอย่างและเมื่อเราทําส่วนของเราเราสร้างรากฐานของเราพระเจ้าก็จะทําส่วนของพระองค์เราทําส่วนของเร า, เร า, เราพระเจ้าทําส่วนของพระเจ้าเมื่อรากฐานความเชื่อของเรามั่นคงเหตุการณ์สถานการณ์ใดๆก็ไม่สามารถที่จะสั่นคลอนความเชื่อของเราได้ และข้าพเจ้าก็อยากหนุนใจพี่น้องว่าอยากอยากให้วันเวลาในการที่เรารู้จักกับพระเจ้าไม่ว่าเราจะผ่านไปกี่ปีแต่ละปีแต่ละวันเราจะรู้จักพระเจ้าในมุมมองใหม่ๆเสมอไม่ว่าวันนี้เราจะเป็นยังไงถ้าเรารู้ว่าสิบปีที่ผ่านมาหนึ่งปีที่ผ่านมาหนึ่งเดือนที่ผ่านมาหนึ่งอาทิตย์ที่ผ่านมา เรายังรู้จักพระเจ้าในมุมมองแบบเดิมอยู่เสมออธิษฐานขอพระเจ้าว่าเราอยากรู้จักพระเจ้ามากขึ้นเราอยากรู้จักพระเจ้าในมุมมองที่แตกต่างไปมากขึ้นแล้วสิ่งหนึ่งคืออยากกลัวบททดสอบเพราะบททดสอบมันจะทำให้เราแข็งแรงมากขึ้นและเราจะใกล้ชิดพระเจ้ามากขึ้นเพราะเรารูว่าพระองค์ไม่ได้ห่างไปไหนพระองค์อยู่ใกล้ชิดชีวิตของเราเสมอ 我再问一问。